ขันธธรรมยังอุทิตนาทิตาณัตทายภานามเสงยินากุญญากรเมนารวยบุญนิพพิทัยภูปจยาคุณุสรภูปัญาภุลุตุนอาชาโยปะกาลจา ปิตาเชยาากาท่านพ่อแม่และพวงญาติตูริโอจันธิมาราชันตูจันเทราชันปุนาวันตานาราปิชาผู้ยงคุณหรือสูงกาพระมาราชาอินทราชาลงมาและอินทรา โลกบาลายาเทวตาทังหมดในโลกบาลยาโมมิทามนุษ่าจาโยมาามนุษมิตาพจาเวรกาภิจาผู้เป็นกางผู้จงรากสาเพสตาสุขิยวุต ขอให้เป็นสุขสามทุกสวนหน้ายาทุกตนควญาในสัสาากานิเมคุณของที่ขาทา จ, จทงช่วยทำหน่วยสุขผลสรก ข, ข้นานจะเจวิตทางเจตัวให้สุขสามอย่างล้นที่ฟังปาเมตตาธรัมให้รู้ถึงนิภานัน เยเกจิภูตากาปานาสัตเลสังหมายใจปันตาพิมยาหาจังังสัจัยเราหัมมันเยจานิเกบำเจนะทีใจน้อยครอบเธอทันกายวาจามะเนวะขังกายวาจาริ ควยังมหานุโมสัตุจงอนุโมทนาผู้สอการหันตุภาวนามัตย์ดูเอาคนอนุกลิบเวราโตเจ็มุจฉุข้ามีเวรงเครื่องริาชารมีสังฆมันตุเมโอโทาอยาผูกไว อยากกินจ ah ah ิตอุตลังกามปวดร้อนละความจังใจหนึ่งการสังทิฏฐิยังมามาเป็นจิตซึ่งวนสะไฟการเยนวาใามานั่งด้วยกายว่าใจใจทีนั่นเสด็กระตังกระังเราทำแล้วเพื่อไปสวรร เทชาตาสังญญูอธิชาใจมิปัญญาเทชาตาสัญญูตือหางไม่เป็นอาสารกาตางคุณยาพลังมมยังคนบุญฆ่าทำนั้นสะเทวาเคพระวันตุเตตุตุสัจยมิสุวร เจตังกาทังสุเอติตังตาใจรู้ก่อเป็นอันปีทังคุณยัปปะรัมยาว่าข้าให้แล้วรัควรเจจาสังอาจารย์ทีตาใจมีรู้ด้วยเขว่าคำเจ้าว่าดีแท้ยงขอที่พระเจ้าจงรับขัน ซาเปโลกัมิเยสตังวงสัจชายโลปิทิวันตานารสุกันที่ีวิสวยงามมนุษยย่อมควรนสตวเอลงได้บูสามราญกาปันสุมาเาเจตสต ไุจกกเมนาทวยุทธิศรรามที่ไม่ขุิเสนาจ้าเลวุทธิไหกวลงสัตว์ที่ฟังดูรเบจวาเก้ากานได้ซึงการตัดกานอุปทานาเจตนาเบืวองานอุปทานเยสานานิยานธรมา ปีตัวในรวงใจยาวานิพานธโสมลังว่าเราจะถึงา น, านิพพานนาสันสุสัพพายะวะมาลายสิ้นจากสันดานจะชาจาโตภเวภ เ, เวทุกทุบที่เราเกิดโคโยกจี่จสังสปัญญา มีจิตตรงแลสติทั้งปัญญาอันประเสริฐาเลคโหรยามีนั้ครอบทรงความเลียงเลิะเป็นเครื่องผูจิเลทายมาดาลาันทุโนกาจังโอกาสยาเพึ่มีแก่มูมารินทั้งหลายการุนงรีย์ทียสุเม นาทิภวโรนะโตราภุภูโบนะธรรมโมนาโตบาลุสัมโมสะทามิสุมุลมนาโตบาเจกับุโตจาท้าบาเจกับุตัสส ภาเวน่าดวยเหตุบุญธรรมบิดฟ้องมาโลกาสัมราันตมาอยาเปตักาแเ่มาเถิ